ก็มีอะไรอยากจะถามไหยอยากจะรู้อะไรไหม <c oughs> ทีมันก็ไม่รู้จะเทศอะไรก็เลยต้องลองถามดูก่อน <c oughs> อพ่อครัวไม่ก็อจะปรุงอาหารอะไรไหนเลยตัวคนกินจะไม่ชอบเรื่องของเราเรื่องของธรรมะก็เรื่องของเราเรื่องของใจเราเรื่องของร่างกายเรา ที่เรายัางไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเราเข้าใจแบบผิดเรียกว่ามิจฉาทิจจิมีความเห็นผิดมันจึงทำให้เราทุกข์กันเช่ mm hmm. นร่างกายนี้เราก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นตัวเราของเรา mm hmm. ความจริงร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกาย mm hmm. เราก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นใคร ถ้าเราไม่ได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราออกมาจากสมองความคิดเหล่านี้มาจากสมองแล้วเวลาร่างกายตายไปสมองตายเราก็ตายไปกับร่างกายก็จบก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปสวรรค์ใครเป็นคนไปนรกใครไปเกิดใหม่เพราะเห็นแต่ร่างกาย เห็นแต่ร่างกายและคิดว่าทุกอย่างรวมอยู่ในร่างกายหมดความรู้สึกนึกคิดคิดก็อยู่ในร่างกายแต่จากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านทรงแยกทรงเห็นว่าร่างกายความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่คนละโลกกับโลกของร่างกายร่างกายนี้เป็นโลกโลกธาตุ โลกที่เราที่ร่างกายของเราอยู่นี่เป็นโลกของธาตุสิคือดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นี่เป็นธาตุทั้งนั้นมีส่วนผสมรวมกันบ้างไม่รวมกันบ้า ง, าง ถ, าถ้าเป็นน้ำเปล่ า, าๆนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำล้วนๆถ้าดินก็เป็นดินล้วนๆแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าคนนี่มันเป็นการรวม ของธาตุทั้งสี่มาผสมกันเหมือนกับเราเอาเอาแป้งเอาไข่เอาน้ำตาลเอานมมาผสมกันก็ทำเป็นขนมต่างๆได้ทำเป็นขนมเคก้กเป็นคุกกี้หรือเป็นอะไรก็อาศัยส่วนผสมของของของส่วนที่จะประกอบเป็นอาหารนี้ขึ้นมา ทุกอย่างในโลกนี้ก็ทำมาจากธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟร่างกายเราก็ทำมาจากธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟแล้วมีเราที่เป็นผู้รู้สึกนึกคิดนี่มาเกาะวิธีเกาะของเอาของผู้รู้สึกนึกคิดก็คือเหมือนกับที่เราใช้สายเสียบก็ไปในเครื่องมือถือเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้หูฟัง ใช้ไมโครโฟนแล้วก็ใช้สายเสียบแล้วเราก็สามารถติดใช้สั่งให้มือถือส่งสัญญาณไปที่เราต้องการได้ใจเราก็ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกมิ้นกายวิญญาณที่มาเกาะทางตาท่านก็เรียกว่าจักขุวิญญาณที่มา เกาะทางหูก็โสตะวิญญาณเป็นต้นก็มีอยู่ห้าวิญญาณด้วยกันที่มาเกาะแล้วก็ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งเป็นผู้สั่งเวลาเห็นภาพเวลาตาได้ภาพก็ส่งไปผ่านทางสายวิญญาณพอใจได้รับรู้ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดสัญญาความจําได้ขึ้นมา เห็นภาพที่จำได้จำว่าเป็นภาพที่ดีก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดสุขเวทนาพอเกิดความสุขขึ้นมาก็สังขารก็ปรุงว่าสั่งหะเอาเอาส่วนนี้ดีเก็บไว้เอาภาพนี้เก็บไว้เห็นภาพไหนที่ชอบก็อยากจะให้ภาพนั้นอยู่ไปนานๆถ้าเห็นภาพที่ไม่ชอบีความรู้สึกไม่ดีกับภาพนั้นก็อยากจะให้มัน หายไปก็สั่งให้ร่างกายถ้าเจอภาพไม่ดีก็ให้เดินหนีไปเช่นเดินไปผ่านกองขยะพอเห็นกองขยะเห็นภาพที่น่าเกลียดไม่สวยงามมีกลิ่นเหม็นสังขารความคิดก็สั่งให้ร่างกายเดินหนีดีกว่าถ้าเดินผ่านร้านชาแนลขายน้ำหอมขายเสื้อผ้าสวยๆก็สั่งให้มัน แวะเข้าไปในร้านนั้นเนี่ยใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้สั่งให้ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่เราสั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆให้กับเราเราคือสังขารความคิดปรุงเนี่ยเราคิดขึ้นมาคิดว่าเป็นเราตัวที่คิดก็คือผู้ก็ก็คือใจนี่หใจคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแล้วก็มาเกาะมา มาเกาะติดกับร่างกายแต่ไม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่อยู่คนละโลกใจนี้อยู่ในโลกคิปร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทาอันนี้แต่ใจสามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้สั่งให้เดินให้ยืนให้วิ่งให้นอนให้กินให้ดื่มอะไรได้ แต่บางอย่างก็สั่งไม่ได้เช่นร่างกายสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ก็สั่งไม่ได้แต่เราไม่ศึกษาแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจก็ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากมันก็ทําให้ใจเราไม่สบาย ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะคนที่เขาไม่ไม่รู้สึกอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายก็มีเขาไม่เดือดร้อนเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านท่านไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านรู้ว่าห้ามันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้สั่งร่างกายให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไปอยากก็จะทำให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆท่านก็เลยใช้กำลังของสติหยุดความอยากใช้สติที่เราใช้สตินี่ก็เพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากกันเวลานั่งสมาธิถ้าเรามีสติมีกำลังมากเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ จิตหยุดคิดหยุดยากจิตก็เบาสบายมีความสุขตอนนั้นร่างกายจะเจ็บหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่รับรู้ไม่สนใจไม่เดือดร้อนเพราะจิตเป็นอุเบกขาเวลาจิตสงบจิตจะเป็นอุเบกขาจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือวิธีที่พระเจ้าใช้ในการควบคุมความไม่สบายใจ ควบคุมความอยากที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเวลาใจไม่สบายท่านก็ดูก็เห็นว่ามันเกิดจากความอยากของใจเองอยากไม่แก่พอเห็นร่างกายแก่ก็ไม่สบายใจแต่ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ไปใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจเป็นเพลิงผู้มา อาศัยมาใช้ร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือทำอะไรต่างๆเท่านั้นพอเข้าใจก็ปล่อยวางร่างกายดูแลร่างกายไปตามอัตภาพของมันแล้วก็ลดความอยากที่จะใช้ร่างกายตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขในตัวเราไม่มีสมาธิ เราเลยต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากไปนู่นอยากมานี่อันนี้เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงาหงุดหงิดนำคาญใจเพราะความอยากแต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิได้ถ้าใจเราหยุดอยาก ความหงุดหีิดความเหงาความไม่สบายใจจะหายไปนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงคนพบว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราความอยากของเราก็เกิดจากความคิดของเราเราคิดถึงเราต้องคิดถึงอะไรก่อนเราถึงจอยากกับในสิ่งนั้นได้คิดคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อ น, น, นเมื่อกี้คุยกับโยมพอ คิดพอคุยคนรู้จักคนนั้นคนนี้ยอมว่าคิดแล้วต้องไปหาคนนั้นคนนี้แล้วพอคิดว่าเป็นหาเพื่อนแล้วจะมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียวๆความสุขแบบควันไฟพอไปได้เจอกันทักทายกันก็ดีใจกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วเดี๋ยวพอจากกันก็เสียใจแล้ะไม่เห็นความเสียใจที่จะตามมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปสัมผัสรับรู้พอเวลาสัมผัสก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วพอเวลาจากกันก็เกิดความเศร้าขึ้นมานี่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีที่เราควรจะหาความสุขกันแต่เราไม่รู้จักวิธีที่ดีกว่าวิธีที่ดีกว่าก็คือวิธีหยุดความคิดหยุดความอยาก ที่เราหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติกำลังพอสติกำลังของสติของเรามีมไม่มากมีพอที่จะทำอะไรได้หยุดอะไรบางอย่างได้แต่ให้หยุดความอยากนี่หยุดไม่ได้เช่นห้เราหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างได้เช่นบางคนให้ถือศีลได้แต่ยังแต่ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ถึงแม้จะถือศีลบางที ความอยากจะพูดปดก็ยังมีอยู่ความอยากที่จะทำผิดศีลก็มีอยู่เองแต่ว่ามีสติพอที่จะยับยั้งไม่ให้ไปทำผิดศีลจะทำให้ความอยากทำผิดศีลนี้หายไปนี้ต้องมีสติในระดับของสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบเวลาใจสงบความอยากทุกชนิดหายไปหมดเลยความอยากทำบาป ศีลห้าศีลแปดนี่จ ะ, ะดับไปหมดเลยเราจะมีกําลังที่จะรักษาศีลได้ผู้ที่มีสมาธินี่จะรักษาศีลได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปทําบาปได้เพราะว่าเหตุที่จะทําให้ทําบาปมันไม่ได้ถูกทําลายอย่างถาวลด้วยกําลังของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาตัวความคิดความอยากก็กลับออกมา แล้วถ้าไม่ระวังเดี๋ยวเกิดไปคิดที่ทําให้อยากจะทําบาปึ้นมาก็อาจจะไปทําบาปต่อก็ได้อย่างเช่นพระเทวทัตนี่พระเทวทัตท่านก็มีสมาธิแต่พอเวลาท่านเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความโกรธอยากให้พระพุทธเจ้ามอบให้เป็นหัวหน้าสงฆ์ปกครองสงฆ์ พอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นพระพุทธเจ้าขึ้นมามีขนาดมีสมาธินะแต่เวลาออกจากสมาธิมานี่ไม่มีสติควบคุมบังคับไว้ปล่อยให้ความโกรธออกมาโดยปล่อยให้มันไปสั่งให้ร่างกายไปทาร้ายพระพุทธเจ้าถ้าจะกำจัดความอยากหลังจากออกจากสมาธิมานี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้น ปัญญาก็คือเห็นความจริงเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี่จะนําไปสู่ความหายนะพาไปสู่ความเสียหายความทุกข์ให้กับผู้มีความอยากเองเพราะเวลาเกิดความอยากมันก็ไม่สบายใจแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยากได้อะไรนี่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ ว, ลวถ้าไม่ได้ แล้วถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่หรือว่าถ้าได้มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดบางทีก็เสียใจอีทุกข์อีกแล้วก็ยังต้องกลับไปทำใหมก่ก็เพราะความอยากมันไม่หมดนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าถ้าไปทำตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุด มันจะต้องไปทำเรื่อยๆและไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องไปทำบาปได้ถ้าไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้หยุดความอยากว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง<ม>เห็นคือต้องเห็นอริยสัจสี่ปัญญานี้จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจ เป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ <c oughs> เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากจะใช้ร่างกายยังมีอยู่ความอยากที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสยังมีอยู่มันก็จะพาให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มันก็ส่งกระแสวิญญาณไปเกาะติดนะ แล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่อไปแล้วก็ต้องไปทุกกับร่างกายเพราะอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายแต่พอไปเจอสภาพที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยาก เรามีความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่ากลับมาทำสมาธิดีกว่าทุกครั้งอยากจะไปทำอะไรผ่านทางร่างกายก็หยุดมันด้วยการมาทำสมาธิแทนถ้าเราฝืนความอยากได้อย่างนี้ทุกครั้งต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายไปทำอะไร เพราะความอยากใช้ร่างกายมันหมดพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เหมือนที่เราเดือดร้อนเพราะตอนนี้เรายังต้องใช้มันเราถือร่างกายเป็นสารณะเราไม่ได้ถือธรรมังสารณังกระฉามีธรรมังก็คือธรรถมะที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราถือธรรมังสลาณังกระฉามิ เราก็จะพบกับความสุขจากธรรมะคือความสงบลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนะความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายตอนนี้เราพึ่งร่างกายใจพึ่งร่างกายเพราะว่าใจยังอยากจะเสบรูปเสียงกลิกก่นรดอยู่ แต่ถ้ามาปฏิบัติทำจนทาใจให้สงบได้ก็จะได้สัมผัสกับความสุขสงบสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบทีนี้ก็จะติดใจชอบใจความสงบความสุขก็เลิกเลิกใช้ร่างกายได้เลิกพึ่งร่างกายไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มไม่ต้องไปดูไปฟังทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็นั่งสมาธิไป แล้วต่อไปพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็มีความสุขโดยอัตโนมัติความสุขนี้เกิดจากการไม่มีความอยากอันนี้เป็นความสุขที่เป็นของแท้ไม่ต้องไปทําอะไรใจที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามีความอยากมาทําให้มันทุกข์ทำให้มันต้องไปทําอะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่าการไปทําอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์ วิธ <cas ello vivo> ีที่จะแก้ความทุกข์ต้องฝืนความอยากฝืนไปจนกว่าความอยากมันจะยอมแพ้เมื่อมันยอมแพ้แล้วมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อมันไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็จะมีความสุขถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์เกิดจากความอยากพอความอยากหมดไปความทุกข์หมดไปก็เหลือแต่ความสุขอยู่ในใจ ถ้าเป็นสุขแบบนี้ก็เป็นสุขถาวรสุขไม่ต้องแบบไม่ต้องเข้าสมาธิถ้าสุขแบบสมาธิมันยังเสื่อมได้เวลาเข้าสมาธิเวลาจิตสงบมันก็สุขแต่พอออกจากสมาธิมาจิตเริ่มเริ่มเสื่อมความสงบเริ่มเสื่อมไปความคิดเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวความอยากก็กลับมาแต่ถ้ากําจัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะมันสุขเหมือนกันสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะมาทำให้มันทุกข์เวลาเราเข้าสมาธิเราเข้าไปหยุดความอยากแต่การหยุดความอยากด้วยสมาธินี้มันหยุดได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็กลับมาใหม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราใหม่ ถ้าเราอยากจะสุขเราก็ต้องกลับไปในสมาธิใหม่เพื่อหยุดความอยากใหม่แต่ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากมันไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิแต่ความอยากจะตายด้วยกำลังของปัญญาด้วยเหตุผลความอยากเกิดจากความหลงผิดหลงไปคิดว่าการทำตามความอยากเราจะมีความสุขใช่ไหมเวลาเราอยากได้อะไร พอเราได้เราอะไรมาแล้วเรามีความสุขไหมแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่พออยากใหม่สิ่งที่เราได้มาไม่มีความหมายแล้วเช่นวันนี้ไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งมีความสุขมาก <mRNA. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเห็นเสื้อใหม่อีกตัวหนึ่งอยากจะซื้อขึ้นมาแล้วเสื้อตัวที่ซื้อมาเมื่อวานนี้ไม่มีความหมายแล้วความสุขจากเสื้อตัวนั้นหมดไปแล้วล้วซื้อกี่ต <conom. S 2> ัวมันก็ไม่หมด เดี๋ยวมันก็ยังมีของอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อก็จะทุกข์เราอยากจะซื้อแล้วที่นี้ไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์แล้วถ้ายังอยากซื้ออยู่ไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปขโมยเงินมาซื้อก็ต้องไปทําบาปอีกเพาไปสู่ความวุ่นวายพาไปสู่ความเสียหายถ้าเราใจอ่อนทําตามความอยากแต่ถ้าเราใจแข็งฝืนความอยากได้อยากซื้อก็ไม่ซื้อ ทุกครั้งมันอยากซื้อเราไม่ซื้อเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่อยากเองเพราะอยากก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีใช่ใชใชแล้วถ้ามันทรมานใจเรานั่งสมาธิได้เราก็ไปนั่งสมาธิแทนเอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าเอาความสุขจากการซื้อเสื้อซื้อเสื้ อ, อใหม่แล้วต่อไปความอยากซื้อเสื้อก็หมดไปต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนกับเสื้อผ้าที่เราเห็นตามร้านเห็นก็เฉย ถ้าเรายังไม่ขาดเสื้อผ้าเราก็ไม่ซื้อถ้าเสื้อเก่าเสื้อผ้าเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปแต่ถ้ามันไม่มีก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยความจําเป็นถ้าอย่างนี้ไม่เป็นความอยากเช่นเสื้อผ้าเกิดบ้านไฟไหม้น้ำท่วมเสื้อผ้าเสียไม่มีเสื้อผ้าใสกันตอนนี้ก็ต้องไปซื้อใหม่แต่ไม่ได้ซื้อเพราะความอยากซื้อซื้อเพราะมันไม่มีใส อย่างนี้ไม่เป็นความอยากแล้วพอซื้อมาแล้วก็พอจะซื้อใหม่ ก, ก็ต่อเมื่อมันมันขาดหรือว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนี่คือขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมก็คือขั้นปัญญาจะใช้ปัญญาได้จะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะเวลาสู้กับความอยากนี่มันทาให้ใจสัน่นเวลาอยากซื้ออะไรแล้วไม่ได้ซื้อนี่มือไม้สัน่น อยากเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี่ใจสัน่นใจหงดดหงยดลำคาญวิธีแก้ก็คือใช้สมาธิแก้เวลาเราถ้าเรานั่งสมาธิเป็นก็ไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วความอยากมันก็จะสงบไปเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากทำนี้ไปบ่ยบอยๆความอยากมันก็หมดกำลังไปเพราะเราไม่ส่งเสริมมันด้วยการไปทำตามความอยาก ถ้าเราไปทําตามความอยากมันส่งเสริมมันให้มันมีกําลังมากขึ้นพอซื้อตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกสองตัวมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยความอยากนี่ท่านบอกขยายตัวอย่างโบราณท่านพูดว่าได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาเห็นไหมตอนเด็กๆนี่เราได้เงินกินขนมแล้วก็มีความสุขเลยวันละห้าสิบบาทสามสิบบาท พอโตขึ้นพอทำงานแล้ววันละห้ิบาทไม่พอกินแล้วสิเดี๋ยวนี้มันละสามร้อยพอกินหรือเปล่าพอใช้หรือเปล่ามีมีพันล้านก็ไม่พอใช้มันก็ซื้อแหลกเลยถ้ามันความอยากมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ห้ามมันถ้าปล่อยให้มันทำตามความอยากเห็นอะไรก็ซื้อแหลกเลยเห็นอะไรชอบก็ซื้อซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไม่รู้จะไปเก็บไว้ตรงไหนแต่ตอนเห็นมันชอบนี่มันอดไม่ได้มันอยากจะซื้อ พราตอนซื้อมันมีความสุขแต่พอซื้อมาเสร็จแล้วก็มีมีเรื่องปวดหัวแล้วไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนนี่คือเรื่องของความอยากที่เราแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาแต่จะแก้ด้วยปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิสนับสนุนด้วยดงนั้นการปฏิบัติเราจึงต้องมาสร้างสมาธิก่อนให้มีความสุขในใจก่อน เมื่อเวลาเราเกิดความอยากแล้วเกิดความทุกข์จากความอยากเราก็ใช้สมาธิมามาดับมันได้มาดับความไม่สบายใจด้วยการทาใจให้สงบหยุดความอยากพอใจสงบความอยากหยุดใจก็สบายแล้วพอออกจากสมาธิมามันอยากมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกครั้งแรกเวลาอยากนี่มันจะรุนแรง แล้วเราไม่ทาตามมันพอครั้งที่สองมันจะเบาลงแล้วมันจะเบาลงไปเรื่อยๆตอนในที่สุดมันก็หมดกำลังไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอะไรเพราะสินเพราะสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจ รักษาความไม่สบายใจที่เกิดจากเชื้อโรคคือความอยากพอยาทำลายความอยากหมดไปแล้วไม่มีเชื้อโรคอยู่แล้วความไม่สบายใจก็หายหมดแล้วก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกินยาอีกต่อไปเหมือนร่างกายเวลาเราไม่สบายเราก็กินยากินไปจนกระทั่งหายพอหายแล้วก็ไม่ต้องกินยากินก็ไม่มีอะไรไม่มีผลไม่มีผลอะไร กินไปก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายมันดีขึ้นแต่อย่างใดก็เลยไม่กินกินเฉพาะเวลาไม่สบายเช่นเวลาปวดศีรษะก็กินยาแก้ปวดเดี๋ยวพอหายจากปวดศีรษะแล้วก็ไม่กินกินก็ไม่มีผลแตกต่างกันกินไปทำไมนี่ก็คือการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนกับการกินยาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เพื่อรักษาโรคใจความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากพอหายแล้วจนไม่ทุกความไม่สบายใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจะหายไปเพราะเรากำจัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้หยุดมันได้เราก็ไม่ต้องปฏิบัติองต่อไปเราไม่รู้สึกอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเรื่องของ ธรรมะกับเรื่องของพวกเราที่เรามาหาธรรมะมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เพื่อมาหาความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ในการรักษาใจของเราที่ตอนนี้ยังมีความวุ่นวายมีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่เราพยายามกําจัดมันตลอดเวลาแต่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีกําจัดที่ถูกต้องเป็นการกําจัดแบบสร้างความ วุ่วายให้มีมากขึ้นเช่นเวลาไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรของไม่จำเป็นทั้งหลายความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านความไม่สบายใจก็กลับมาหาใหม่ก็ไปซื้อใหม่ไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่รอบกี่หนมันก็กลับมามันก็เจอความไม่สบายใจอยู่อย่างเดิมเช่นเห็นร่างกายที่ไร คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีบางทีไม่อยากจะคิดมันก็ถูกบังคับให้คิดบางทีก็เจอคนแก่บางทีก็เจอคนเจ็บบางทีก็เจอคนตายอยากจะลืมมันก็ลืมมันไม่ได้พอพอไปเห็นเข้าก็ไม่สบายใจเพราะเรายัางไม่มีความสามารถที่จะไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เรายังอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เราจงไม่อยากให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายเพราะถ้ามันแก่มันเจ็บมันตา ย, เร า, า เ, ตายเราจะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมได้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้เมื่อต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็ไม่เดือดร้อน แล้วเราจะไม่อยากจะใช้ร่างกายเพราะมันเหนื่อยมันยากกว่าการใช้การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้มันง่ายกว่าเยอะถ้าทำได้ไม่ต้องไปหาเงินไม้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะไปเที่ยวได้ต้องไปหาเงินมาก่อนต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้แล้วพอซื้อไปเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องไปหาใหมาอ่อแต่ถ้ามาทาปฏิบัติธรรมได้ เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่เหนื่อยยากนั่งเฉยๆมันจะเหนื่อยตรงไหนนั่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธแค่ น, นั้นเองกลับกลับไม่ทำกันกลับไปทำของยากเพราะเราเคยทำแบบนี้มาตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ทำมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้ววิธีหาความสุขของเราก็คือหาความสุขผ่านทางร่างกายเราเลยชนานาญไม่ต้องสอนเห็นไห เกิดมานี่พ่อแม่ไปตองสอน่าไปอย่ามีแต่คอยห้ามอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นให้ไปโรงเรียนแต่กลับชอบเที่ยวชอบเล่นกันเพราะมันฝังมาเป็นนิสัยเป็นสันดานมันก็เลยทำให้เรารู้สึก ง, ง่ายในการหาความสุขในการแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพราะว่า ร่างกายที่เป็นเครื่องมือต่อไปมันก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาแก้ปัญหาให้เราได้เวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราไม่สามารถไปหาความสุขได้ตอนนั้นเราจะทุกข์ทรมานใจบางทีก็อยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะร่างกายไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ฆ้าร่างกายตายไปเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาพึ่งร่างกายอันใหม่แล้วเดี๋ยวพอร่างกายอันใหม่พึ่งไม่ได้ก็ฆ่ามันอีกมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดมันก็เวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ไปเรื่อยวิธีแก้ต้องแก้แบบพระพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขธรรมังสารังกาฉามี ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญามาถือศีลกันแต่ศีลก็ต้องเป็นศีลแปดถึงจะมีพลังที่จะสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้ต้องใช้ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดศีลห้ามีกําลังไม่พอเพราะว่าศีลห้ามันยังไปทําอะไรได้ถ้าถือศีลแปดมันจะตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปทําให้เรามีเวลามา มาเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้ถ้าศีลห้ายังไปเที่ยวได้ยังไปกินไปดื่มไปเล่นได้แต่ถ้าถือศีลแตะแล้วไม่ได้้วไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปอะไรไม่ได้แล้วก็จะมีเวลาที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทาให้จิตสงบแล้วก็สอนจิตให้เห็นโทษของปัญญาพอทำได้ต่อไปก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ สร้างแต่ความสุขให้มีอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อมีความสุขก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะความสุขทางใจนี่ที่ผ่านทางธรรมนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายและเป็นความสุขที่ถาวรไม่ใช่เป็นความสุขแบบควันไฟที่จะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆนี่ก็ เป็นเรื่องที่เราต้องมาศึกษาเมื่อเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติถ้าเราอยากจะเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขของเราพูดเช่นพวกที่เข้ามาบวชนี่เข้ามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนเขาก็เหมือนเราเขาก็เที่ยวเขาก็ซื้อของไปอะไรทําอะไรไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาใช้วิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิบ่อยๆมากๆเพราะว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวถ้าไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทรมานใจเพราะว่าบวชแล้วจะไปทำทำตามความอยากไม่ได้บวชแล้วอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้ ก็ต้องอาศัยการทำสมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าขยันทำสมาธิได้ก็จะไม่เดือดร้อนใจจะมีความสุขหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะกำจัดตัวที่มาก่อกวนที่ทำให้ใจวุ่นวายก็คือต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะสอนว่าตัวที่มาสร้างความวุ่นวายก็คือตันหาความอยากนี่ เวลามันอยากอยากไปทําตามมันถึงแม้ว่าถือศีลแล้วจะอนุญาตให้ทําได้ก็อย่าไปทํเนี่ถือศีลนี่ก็ยังดื่มกาแฟได้ถ้าอยากดื่มกาแฟมันก็เป็นความอยากเหรอเพราะอะไรเวลาไม่มีกาแฟดื่มมันก็จะทุกข์ใช่แต่ถ้าเรามันถ้ามันอยากแล้วเราไม่ดื่มต่อไปมันก็ไม่มีความอยากจะดื่มมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อน เพราะร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟร่างกายมันต้องการน้ำ ท, ที่เราดื่มนี่เราดื่มน้ำดื่มน้ำเปล่าๆก็พอสำหรับร่างกายนี่คือความอยากที่เราจะต้องกาจัดอยากไปนู่นมานี่ก็ไปไม่ไม่ควรให้มันไปถ้าไม่มีเหตุมีผลเพราะการอยากไปนู่นมานี้ก็เพื่อไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอยู่ตรงรูปเสียงกลิ่นรสตรงนี้ดูแล้วมันจาเจซ้ำากเบือ่อ ก็เลยอยากไปตรงนูน้นจะได้ไปเปลี่ยนดูรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เอาไปถึงที่นั่นเดี๋ยวมันก็เบื่อก็อยากจะกลับมาที่นี่อมันก็หลอกเราไปหลอกเรามาอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรากำจัดความอยากไปได้ต่อไปก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เท่าไหนก็มีความสุขเพราะความสุขมอนได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดจากการไม่มีความอยากไม่ไหนมาไหนนี่คือเรื่องของ การปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการแก้ปัญหาของเราตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเกิด mm hmm. สร้างความอยากใหม่ขึ้นมาสร้างความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่แล้วพอร่างกายตายไปก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก็็จะเปนปก็จะเป็นการ ไ ป, ไปเกิดอยู妹妹่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบพระพุทธเจ้าตัดความอยากได้ต yeah ัดความอยากใช้ร่างกายได้ต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่กับความสงบอยู่กับความไม่มีความอยากแล้วก็จะอยู่ไปตลอดโดยที่ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องไปทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราไปหามาให้ความสุขกับเราเวลาหามาได้ก็ดีใจเวลาจากเราไปก็เสียใจนั้นมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นวิธีแก้ความทุกข์ของเราเป็นการแก้ความทุกข์แบบสั้นๆชั่วระยะสั้นๆเวลาได้อะไรมาก็ดีใจมีความสุขใจแล้วเดี๋ยวพอเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียไปก็ไปหามาใหม่ หามาใหม่เดี๋ยวก็ต้องเสียอีกเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรถ้านลวงพ่อให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงอย่าไปเอามันเอามาแล้วจะต้องเสียใจจะ ต, ต้องทุกข์ใจมันไม่ใช่เป็นของเราเราเก็บไว้กับเราไม่ได้ไม่จากกันเป็นตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่เราก็จะหยุดความอยากได้เลิกความอยากเมื่อไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปไม่ต้องไปใช้ไปใช้บาปไปไปรับผลบาป ท, ที่เราทำไม่ต้องไปรับผลบุญที่เราทำใจก็จะอยู่กับความสงบไปตลอด ใจที่สงบนี่เราเรียกว่านิพานใจที่ไม่มีความอยากนี่เรียกว่านิพานใจที่ไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ไปมีร่างกายต่อไปก็มีเท่านี้ใจของพวกเราสามารถทำให้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าได้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารว่านี่ใจของพวกเราเหมือนกันทุกคนสามารถทาให้เป็นนิพานได้ทุกคน สมัยพระพุทธการนี่มีใจของคนทุกทุกรูปแบบเลยใจของของนักบวชก็มีของคารวะก็มีของผู้หญิงก็มีของผู้ชายก็มีของเด็กก็มีของผู้ใหญ่ก็มีที่เป็นที่ได้เป็นนิพพานกันเพราะพอเขาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัตินที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนเนี่ย ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเรือเป็นคารวะเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีนี้ก็สามารถทําให้ใจของตนเองเป็นนิพพานได้เป็นนิพพานได้ด้วยสุปฏิปันโนปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการคือศีลสมาธิปัญญาดนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นนักบวชหรือเป็นค า, าวาวะแต่การเป็นเพศต่างๆเหล่านี้มันมีผลดีผลด้อยถ้าเป็นค า, าวาวมันยากกว่าเป็นพระเป็นนักบวชเพราะเป็นนักบวชมีเวลาว่างที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคาลาวะยังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับลูกกับสามีกับภรรยา เวลาจะมาปฏิบัติจริงๆก็เลยมีน้อยจึงยากที่จะทำใจให้เป็นนิพพานได้นอกจากคารวะบางคนที่มีบารมีเก่ามีบุญเก่าที่สะสมมาแล้วพอฟังธรรมก็เข้าใจสามารถหยุดความอยากได้เลยอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าเป็นคาวาะส่วนใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะทำใจให้เป็นนิพพานนี้น้อยมีน้อยมาก ดูดูดูดูพวกนักบวชเนี่ยเขาเขาทำใจให้เป็นนิพพานได้เยอะ mm hmm. ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตายไปแล้วกระดูกกายเป็นพระธาตุเนี่ยคนที่ตายแล้วเป็นพระธาตุนี่ส่วนใหญ่เป็นพระทั้งนั้นน่ยที่เป็นฆราวาสนี่แทบจะหาไม่มีเลย mm hmm. เพราะว่าเวลาที่จะปฏิบัติไม่มี mm hmm. ไม่เหมือนกับพระพระนี่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอย่างอื่น ทำสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยจึงสามารถทำให้จิตเป็นนิพพานได้อย่างง่ายดายรวดเร็วการปฏิบัติก็เหมือนกับการซักเสื้อผ้านี่แหละถ้าเรามีเวลาซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราก็จะสะอาดใช่แต่ถ้าเราไม่มีเวลาซักเสื้อผ้าพาะต้องไปทำงานต้องไปทำอะไรใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอ้ชุดเก่าก็ทิ้งมันไว้ก่อนทิ้งมันไว้นานเท่าไหร่มันก็ไม่สะอาด มันจะสะอาดก็ต่อเมื่อเรามีเวลามาซักมันเท่านั้นใจเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าใจเราตอนนี้มันไม่สะอาดมันสกปรกด้วยความอยากด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงสกปรกด้วยกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่เราไม่มีเวลาซักฟอกมันเวลาที่จะซักฟอกมันต้องใช้ศีลต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญามันก็เลยไม่มีวันที่จะสะอาดเป็นนิพพานขึ้นมาได้ แต่สำหรับนักบวชนี่เขาซับพอกทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับศีลเขามีตลอดวันตลอดเวลาสมาธิเขาก็ฝึกตลอดเวลานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาไหนว่างก็นั่งสมาธิไปเวลาไม่นั่งสมาธิก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยมทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปไม่ช้า ก, ก็เร็ว พอมีเวลาซัพฟอกจิตใจยอย่างต่อเ น, นื่องไม่กี่ปีเนี่ยไม่กี่วันเซฟได้ซ้ําไปสําหรับบางคนเพระพุทธเจ้ารับประกันเลยนะถ้าใครสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้เนี่ยเจ็ดวันก็สามารถทําใจให้เป็นนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดปีสามารถที่จะทําให้ใจนี้กายเป็นนิพพานขึ้นมาได้ยันขอให้พวกเรา ถ้าสนใจเรื่องการจะทำใจให้เป็นนิพพาน<ม>ก็ขอให้เรามุ่งมาทางนี้ถ้ามีอะไรคอยดึงเราไว้ก็พยายามตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปเอาเวลามาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ค่อยๆทำไปอันไหนไม่จำเป็นต้องทำก็ตัดมันไปวิธีที่จะทำให้เราเห็นว่าเราตัดได้ก็คือตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อันไหนที่เรา ไม่จําเป็นจะต้องมีก็อย่าไปมีมันเอาแต่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นก็แค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองคืออาหารที่ว่าสายยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มพอเรามีแค่นี้พอแล้วอย่าไปอยากได้ปัจจัยห้าปัจจัยหกเลยปัจจัยห้าก็มือถือปัจจัยหกก็รถยนต์เนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องมีมันก็ได้ถ้ามีแล้วมันมีภาระต้องไปหาเงินหาทางมาดูแลมันอีก พยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอเราได้ผลจากการปฏิบัติเราจะมีกําลังที่จะตัดได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ไปอยู่แบบนักบวชได้เราอยู่แบบนักบวชได้ที่นี้มันก็จะไปอย่างรวดเร็วเหมือนได้ขึ้นทางด่วนนักบวชนี้เหมือนพวกที่ขับรถบนทางด่วน ทางด่วนนี้มันไม่มีสีแยกไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรมาคอยทำให้รถต้องเสียเวลาหยุดยวิ่งปุ๊บเดียวถึงเลยเนี่ยพอขึ้นทางด่วนเนี่ยพอขึ้นที่ชนบุรีไปถึงเทพแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ถ้าอยู่บนชั้นล่างนี้เดี๋ยวก็เจอสีแยกเดี๋ยวก็เจอรถแซงไปแซงมาวิ่งเร็วไม่ได้เนี่ยเพศของคาราวานี่เป็นเหมือนพวกที่ขับรถอยู่ใต้ทางด่วน ส่วนนักบวชนี่เป็นเหมือนพวกที่อยู่บนทางด่วนเขาถึงไปถึงนิพพานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ว่าถ้าขึ้นทางด่วนแล้วถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ถ้าเป็นคาราวาที่ก็อาจจะเจ็ดชาติหรือเจ็ดเจ็ดพันชาติเพฉนั้นถ้าอยากจะไปถึงนิพพานเร็วๆก็รีบไปบวชกันหนะาวิธีไปบวชให้ได้แต่ก่อนจะไปบวชได้ต้องหัดบวช ต้องหัดอยู่แบบนักบวชให้ได้ก่อนต้องหัดนั่งสมาธิให้ได้ก่อนถ้านั่งสมาธิไม่ได้ไปบวชก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวกิเลสมันก็ดึงเรากลับมาอยู่ดีเนั้นวิธีที่จะไปได้อย่างไม่ต้องกลับมานี้เราต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนถ้าเราได้สมาธิแล้วทีนี้เราจะสามารถอยู่แบบนักบวชได้นี่ก็คือเรื่องที่พวกเรามาศึกษาแล้วนำมาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ ต่อไปจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริกปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัปะติ อิชิตังปัิตังตุมหังคิพะเมวะสมิจฉาตุสัพเเปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทานสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลังที่กะถามภาษาไทยัหมถามค่ะถามได้อาจารย์ที่อธิบายค่ะแล้วก็ใจอธิษฐานเรื่องของวายตุสุรี ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยคือจิตซึ่งแสดงว่ามายตัวมายนี่ไม่ใช่ราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นมันเป็นมายแต่เราไปเรียกมันเป็นนู่นเป็นนี่มันเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่เข้าเลมันก็เป็นมันไม่มีวันตายมันเป็นเหมือนธาตุธาตรู้มันเหมือนธาตุดินน้าลมไฟนี่มันไม่อยู่ภายใต้กฎตายรังธาตุดินก็เป็นดินตลอดธาตุน้าก็เป็นน้าตลอดธาตรู้เป็น ธาตุที่ห้าธาตุที่หกก็คืออวากาศธาตุความว่างเนี่ยนี่คือธาตุทั้งหกที่ทำให้มีจรกวารต่างๆขึ้นมานี่เกิดจากธาตุทั้งหกนี้โลกธาตุเนี่ยตามีแต่ธาตุรู้นี่อยู่อีกโลกนึงก็อยู่โลกทิพย์เนี่ยธาตุรู้นี่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกกธาตุโลกกธาตุนี้มีห้าธาตุดินน้ำลมไฟกับอวากาศธาตุ คนธารู้นี้อยู่ในโลกทิพย์แต่ถ้ารู้นี้มาเชื่อมต่อกับโลกธาตุด้วยวิญญาณกระแสวิญญาณเาท่านั้นเองเนี่ยวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูเนี่ยผู้ที่รู้รูปนี้ไม่ใช่ร่างกา ย, ยร่างกายเหมือนกล้องเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไรหรอกแต่คนที่ถ่ายรูปคนที่ดูกล้องคนที่ถือกล้องเนี่ยรู้ว่ากําลังดูถ่ายภาพของใคร เพราะเขามีตัวรู้ไงคือเขามีธาตรู้แต่ตัวโทรศัพท์มือถือมันไม่มีธาตรู้ร่างกายนี้ก็ไม่มีธาตรู้ร่างกายมีแต่รับภาพเข้าไปแล้วส่งไปตามวิญญาณสายของวิญญาณวิญญาณก็ส่งไปที่ผู้รู้ผู้รู้พอรับภาพก็รู้เลยว่าเป็นภาพอะไรบางทีอาจจะไม่รู้อยู่ที่ความจาต้องใช้ความจาเวลาเห็นภาพอะไรต้องความจาต้องมามาถามดูว่านี่ภาพอะไรวะ เป็นใครอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าไม่รู้จักก็แสดงว่าไม่มีความจำกับรูปนี้ก็เป็นภาพใหม่ถ้าเป็นภาพเก่าก็จะรู้อ่อเป็นคนนั้นเป็นคนนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกทันทีเพราะจะจาได้วคนนั้นดีหรือคนนี้ไม่ดีพอเจอภาพที่คนไม่ดีก็ใจไม่สบายแล้วพอเจอภาพของคนดีก็ใจมีความสุขพอมีความสุขก็เกิดสังขาร ต, ตัหาความอยากขึ้นมานะ อยากถ้าเป็นภาพที่คนดีก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราก็ชวนเขาชวนพูดชวนเขาสังขารก็ปรุงแต่งอยากเขาอยู่กับเราถ้าพอเจอคนไม่ดีก็อยากให้เขาไปแล้วพอเกิดความอยากก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพออยากแล้วเขาไม่อยู่ก็เสียใจพออยากให้เขาไปก็ไม่ไปก็เสียใจอีกอย่างนั้นต้องมาแก้ตรงนี้ตแก้ตรงที่ตัวความอยากเห็นอะไรก็อย่าไปอยากมัน ก็ยอมรับมันมาก็ให้มันมามันไปให้มันไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจไม่ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจกับภาพที่เราเห็นอันนี้ที่เราต้องมาแก้แก้ตรงนี้แก้ที่ตัวความอยากจะแก้ได้ก็ต้องเห็นว่าภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะดีไม่ดีมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปและห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้จะให้มันไปมันก็ไม่ไปจะให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่ ถ้ามันจะไปมันก็ไปของมันเองมันจะอยู่มันก็อยู่ของมันเองเั้นเราต้องรู้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้อันนี้คือวิธีปฏิบัติอย่างรับเวลาปัญหาคือใจมันไม่หนักแน่นมีสติไงก็ต้องไปฝ <ยา S 1> <ๆ>ึกสติให้เยอะๆให้จิตให้จิตไปดับปัญหาสมาธิให้ได้ถ้ามีปัญนาสมาธิรับเป็นหินนะใจจะแข็งเป็นเหมือนหินน่ะ ออกมาจากสมาธินี้ใจมันจะมีอุเบกขามันจะเฉยได้เนี้ยพวกเราไม่มีสมาธิกันมีแต่ปัญญาแต่ปัญญามันไม่สามารถที่จะทําให้ใจมันนิ่งได้ต้องอาศัยต้องอาศัยสมาธิเดี๋ยวไปฝึกสมาธิให้เยอะก่อนการพิจารณาตามที่ผู้อาจารย์บอกไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ตามก็สามารถทําให้เกิดสมาธิแบบนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วถ้าสมาธิจริงๆมันต้องเพ่ง ตรงเพลงไม่ให้คิดเลยเจนผู้จะให้อานาปนาสติในสติปัฏฐานสูตรท่านให้ไปนั่งนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนอกจากเวลาที่ไม่ได้นั่งเท่านั้นเราสามารถใช้สติกับกับกับร่างกายได้เจนร่างกายกําลังเคลื่อนไหวก็ให้ใจเกาะติดอยู่กับร่างกายเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเข้าใจะอ่าท่านนั่นเองเป้าหมายของการเจริญสติก็ให้หยุดคิดให้เพง่งให้ดูเฉย เป็นไม่ได้ก็ใช้พุทโธช่วยก็ได้ตอนต้นบริกรรมก็ได้บริกรรมก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้มันอย่างน้อยมันจะได้ไปคิดเรื่องต่างๆให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่ไม่มีสะไม่มีความไม่มีอารมณ์คิดอยู่กับธรรมนี่ตอนนี้บริกรรมนี่มันคือดูลมไปอย่างเดียวอย่างนี้โดยไม่องบริกรรมก็ยังถือว่าทําให้เกิดสมาธิอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่ต้องนั่งเฉยๆตํางนิ่งต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมอย่างเดียวนะนี่มันจะเข้าไปสู่อัปปนาได้ หรืบริการพุโทโธอย่างเดียวได้อสองอย่างบริการพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดอรเดี๋ยวมันก็ตกลุมตกเบาแล้วก็นิ่งสงบได้หรือแม้กระทั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็สงบลงไปตกลุมตกบบาลงไปได้ะะเหนกันนอกจากบางทีบางทีถ้าเรานั่ง น, นานๆคะ หรือว่าจะคิดว่าเดี๋ยวขาเราจะเป็นอมพภาพไหมมันตั้งมันกดทับอะไรเพราะพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นเราไม่เป็นหรอกกิเลสมันหลอกเรากคั้างเวลานั่งดูหนังไม่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอมพภาพเลยนะเนนดูหนังตั้งคืนมันไม่เคยคิดวจะเป็นอมพาพหรือเปล่านะเพราะนั่งสมาธิเครื่องยามวันกลัวจะเป็นอมพาพเลยกิเลสมันหลอกเราค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินที่หลวงตาเทศนะคะว่าท่าน อดอาหารเพื่อที่จะสร้งสร้างสติสร้างสมาธิเป็นช่วงไหนของการอดครับก็แต่เริเ่มต้นเลยก็เริ่มต้นเลยถ้่ช่วงช่วงสตินี่แหละ <c oughs> เพราะว่ามันจําเป็นึ่งสติช่วงสมาธินี่ต้องอดอาหารมันจะได้ไม่ขี้เกียจเพราะเวลาอดอาหารแล้วใจมันจะหิวไงแล้วต้องใช้สติหยุดมันถึงจะผ่านถึงถงถึงจะทนอยู่กับการอดอาหารได้ถ้ากินได้มันจะมันจะเป็นทรมัน คือคิดว่าอยากจะทำา่ะแ่ไม่รู้ว่าจะไหวไหนดีมันก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังพอที่จะใช้สติหยุดความหิวได้หรือเปล่า<ม>ความหิวมันมีสองส่วนหิวทางร่างกายกับหิวทางใจหิวทางร่างกายมันแค่ร้อยละสิบส่วนหิวทางใจมันร้อยละเก<ม>้าสิบถ้าเรา <c oughs> พอเราคิดว่าเราฝึกสติได้พอแล้วเรา <c oughs> ลองอดดูพะพออดข้าวปั๊บจิตมันจะคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียว เราก็ต้องหยุดให้มันคิ ด, อ ย, คดอย่าให้มันคิดถึงเรื่องกินให้ได้ใช้พูดโธพูดโธหยุดมันถ้ามันหยุดเรื่องคิดถึงเรื่องกินได้ความหิวจะหายไปเก้าสเอร์ซแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนกับการอุดอาหารเท่าไหร่อาจจะรัญสติเสตเดินเดินจ ง, <ๆ>งกรมไปก่อนก็ได้เดินจงกรมแต่เดินทั้งทีใท่านบอกให้เดินยาวยๆหลายชั่วโมงเลยสามสี่ 3, 4, ชั่วโมงเดินไปเลยนียแล้วก็อย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับ เท้าก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้ต้องพยายามทำงี้ไปก่อนแล้วนั่งเฉยๆก็ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องนั่งแบบทรมานนั่งแบบเก้าอี้สบายๆเพื่อหยุดความอยากหยุดความอยากคิดอยากลุกอยากทำอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ใช้พุโทโธหรือใช้การดูลมหรือใช้สติคอยหยุดมัน ขาให้นั่งอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปทําอะไร<ม>ก็ได้แต่อันนั้นมันแต่มันต้องอาศัยของคนอื่นไงที่เราไม่ต้องการอาศัยของภายนอกเราต้องการอาศัยพลังของเราเนี่ยพลังสติสู้กับความอยากที่อยากจะลุกไปเดินยุกไปนั่งลุกไปทํานูน่นไปทนี่เราบางครั้งมันนั่งเฉยๆตั้งสี่ห้าชั่วโมงเอยแต่เอานั่งแบบสบายไม่ต้องมานั่งคุหลังไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิให้มันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่นั่งให้มันสบาย ถ้ามันเมื่อยก็ยืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปทําอะไรทรมานความอยากดูเออลองสู้กับความอยากทํานู่นทํานี่ดวไปก่อนอยู่แบบสมบสภาพเหมือนกันแตก็อยู่นะนู่นก็ไม่ไม่เรียนรู้เลยเป็นก็เป็นความทรมานเลยถามว่าถ้าจะอดอาหารจังหวะไหนดีเลยก็ลองดูกําลังสั่งเมนูจังหวะยังไงเราปฏิบัติแเราคงจะต้องรู้เองว่าตั้งแต่เรา เราพร้อมหมดยแล้วก็ลองดูตอนนั้นก็ขออภัยทางบ้านด้วยที่วันนี้ไม่มีเวลาที่จะให้ถามก็คงจะต้องเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน